สิบนันทิยส ก, กะสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่านันทิยะหนึพันสมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสกกะครั้งนั้นพระเจ้าสกยะพระนามว่านันทิยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 เพื่อหลีกลริ้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปสัสสธิเมื่อไม่มีปสัสสธิก็อยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีทุกข์ย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ เพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้นันทิยะอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้แลอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 เมื่ออริยสาวกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทเกิดขึ้นปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้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 เพื่อหลีกเกร้นในเวลากลางคืนเมื่ออริยสาวกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมเกิดแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นทาทั้งหลายก็ปรากฏ